ช่วงค่ำคืนวันหนึ่งของวันอของปี2557ประมาณปลายเดือนมกราคมข้างกองไฟที่สุมอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านเซอร์ทะนะคะหมู่บ้านกระเรียงกลางหุบเขาแห่งป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัด ต, ตาก ความหนาวเหน็บของสภาพอากาศที่อำเภออุ้มผางในค่าคืนนี้มันช่างหนาวเย็นเข้าจับขั้วหัวใจของผู้มาเยือนแปลกถิ่นซะจริงๆหนาวซะจนไม่อยากจะลุกหรือว่าเคลื่อนย้ายร่างกายไปที่แห่งไหนอยากจะนั่งผิงไฟอยู่ข้างกองไฟให้ร่างกายอบอุ่นไปตลอดชั่วค่ําคืนนี้ผู้เท่าวีเจอดีตพรานกเกรียงมือขมังที่สุดแห่งหมู่บ้านเสยทะ ผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ให้ที่พักพิงกับเราในค่ําคืนนี้โดยผู้เท่าผู้มีอทธยาศัยต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีก็จัดการเลี้ยงต้อนรับแขกบ้านในค่ําคืนนี้มีไก่ต้มปรุงรสแบบง่ายๆด้วยมะขามเปียกต้มกินเป็นกับแกล้มซึ่งก็เป็นอาหารที่หาได้ง่ายในแทบทุกบ้านพร้อมกับสุราอย่างดีที่นําติดมือมาด้วยทั้งฤทธิ์ตีกรีของสุราบวกกับกับแกล้มที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการสนทนาก็ดูเป็นจริงเป็น จังละค่ะช่วยทําให้อารมณ์คล้อยตามเนื้อเรื่องในการสนทนาดได้เป็นอย่างดีเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวส่วนตัวของแต่ละบุคคลก็เป็นการแนะนําพอหอมปากหอมคอพร้อมกับได้เปิดประเด็นนะคะถึงเรื่องราวการมาเดินทางท่องป่าอุ้งผางในครั้งนี้ผู้เฒ่าเวจีคงมองเห็นว่าเราเนี่ยรักการเดินป่าซะจริงๆและก็มองเห็นมิตรภาพที่แท้จริงจากแขกผู้มาเยือน กลยประสงค์ที่จะเล่าแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินป่าล่าสัตว์ของท่านผู้เฒ่าในอดีตจวบจนกระทั่งสาเหตุของการเลิอกอาชีพนายพรานไปตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ต้องไปเผชิญกับผีที่แกเรียกว่าผีเจ้าป่าย้อนรอยอดีตผู้เฒ่าจีเวกับหมู่บ้านเกเหลี่ยงเซริรทะผู้เฒ่าจีเวอดีตพรานเกาหลีมือขมังที่สุดแห่งหมู่บ้านเซิร์ะาอำเภออุ้มพางจังหวัดตากด้วยวัยปัจจุบันเกือบ70ปีแล้วนะคะ แกเล่าเรื่องย้อนรอยครั้นการได้เข้าป่าล่าสัตว์ในแถบป่าใหญ่อุ้มผางค่ะว่าตัวท่านผู้เฒ่าเองเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านเซิร์ะซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงแต่ว่าตัวของแกเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกสาวสวยอยู่สองคนซึ่งก็ต่างออกเรือนกันไปหมดแล้วนะคะนานๆก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านทีนึง ชาวบ้านส่วนใหญ่ในแถบนี้ตั้งแต่อดีตล้วนดำรงชีพไปด้วยการเกษตรกรรมการเก็บหาของป่าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อการดำรงชีพแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นซึ่งบางครั้งนะคะชาวบ้านก็มีการเข้าไปในเมืองอตัวอเาเภออุ้มผางเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าสิ่งของอุ ป, ปโภคบริโภคที่จาเป็นเช่นยารักษาโรคเกลือน้าปลาน้ามันกา๊า กับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนพื้นเมืองในสมัยนั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนชาวบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้เดินทางไปต่างที่เลยนะคะซึ่งในสมัยก่อนต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นหลักรถยนต์หรือว่ารถโดยสารขนาดเล็กนะคะนานๆถึงจะมีผ่านมาสักทีหนึ่งค่ะเริ่มต้นชีวิตพรานไพรครัน้นแกแต่งงานแล้ว แกก็อายุได้26ปีค่ะแกได้แยกตัวออกจากครอบครัวย้ายมาปลูกบ้านอยู่อาศัยเองซึ่งเป็นเรือนไม้ฟากธรรมดาปูพื้นด้วยไม้ไผ่แล้วก็โครงหลังคาก็ใช้ลักษณะการมุงด้วยหญ้าแฝกนะคะบนใบตองตึงค่ะแบบชาวไทยภูเขาทั่วๆไปโดยปลูกบ้านอยู่บนเนินดินท้ายหมู่บ้านก็มีต้นมะขามใหญ่ให้ร่มเงาเพอกันแดดได้บ้างโดยมีบ้านเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งปลูกอยู่ถัดกันไป แต่ว่าเพื่อนบ้านก็ต้องด่วนมาจากไปซะก่อนจากเหตุไฟไหม้บ้านแล้วก็ถูกไฟคลอกตายนะคะทิ้งให้แกต้องอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้กับภรรยาเพียงสองคนจากจุดนี้เองค่ะแกก็ได้เริ่มชีวิตการเป็นพรานพลายเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ที่นําการหาเลี้ยงครอบครัวนะคะเป็นการเริ่มต้นสู้ชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยกันเป็นพรานที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาวุธประจำตัวที่แกใช้ล่าสัตว์ก็มีอย่างเดียวก็คือปืนแก๊ปค่ะแบบด้ามสั้นลำกล้องไม่ยาวนักเพื่อความคล่องตัวในการถือหรือว่าพกพาตัวผู้เท่าเองก็บอกว่าด้วยเพราะขนาดของปืนแก๊ปเนี่ย ที่แกเองใช้ไม่เหมือนพรานคนอื่นเข้าใช้กันเนื่องจากว่ามันมีขนาดสั้นกว่าปืนแก๊ปทั่วไปเวลาแกเข้าป่าล่าสัตว์แกก็เลยต้องไปคนเดียวเพื่อไม่ให้สัตว์ตื่นหรือที่เรียกกันว่าป่าตื่นแล้วก็ต้องอาศัยความชำนาญในภูมิประเทศบวกกับความกล้าหาญค่อยๆ ย, ย่องเงียบด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาพร้อมกับการเดินดูทิศทางลมก่อนจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปหาสัตว์ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะว่าระยะหวังผลของปืนสั้นนั้นต้องเข้าให้ใกล้สัตว์ที่สุดจึงทำให้แกเนี่ยเข้าป่าแล้วก็ได้เนื้อกลับมาทุกครั้งนั่นเองค่ะในการดูทิศทางลมนะคะท่านผู้เฒ่าแกเล่าว่าหากว่าบรรยากาศเงียบไม่มีลมพัดกิ่งไม้ใบไม้เพื่อจะดูทิศทางลมแล้วแกจะใช้นิ้วนี่แหละจุ่มลงไปในน้ำหรืออมให้เปียกจากนั้นแกก็จะชูนิ้วขึ้นข้างบนฟ้านะคะเพื่อให้สัมผัสกับอากาศหากข้างใดข้างหนึ่งรู้สึกเย็น แสดงว่านั่นคือทิศทางลมค่ะด้วยเทคนิคบวกกับฝีมือในการยิงสัตว์ของแกด่งดังจนเป็นที่รู้กันทั่วไปในหมู่นายพรานแล้วก็ชาวบ้านก็เลยยกให้แกเนี่ยเป็นพรานหนุ่มจีเวในสมัยนั้น เนนายพรานมือ1มือสมังของหมู่บ้านค่ะได้รับเกียรติให้เป็นพรานใหญ่และทุกครั้งหากพรานหนุ่มจีเวจะเข้าป่าล่าสัตว์จะต้องมีบรรดานายพรานคนอื่นๆมาคอยนั่งอยู่ตรงลานหน้าบ้านเพื่อขออาศัยเข้าป่าไปด้วยนะคะแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธจากพรานใหญ่หนุ่มจีเวทุกครั้งไปผู้เฒ่าเล่าเรื่องราวในอดีตต่อโดยไม่มีติดขัดเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะเหมือนเรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆเมื่อวานแกก็ดําเนินชีวิต ด้วยการหากินและก็เลี้ยงครอบครัวด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำเวลาแกเข้าป่าล่าสัตว์นะคะแกก็จะบอกว่าไม่เคยหลงป่าหรือว่ากลัวหลงป่าเลยเพราะว่าแกตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินป่าเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นแล้วก็อาศัยการจดจำยอดเขาสูงฝั่งทางทิศตะวันตกเป็นหลักในการใช้กาหนดทิศนะคะ แต่จะต้องหยุดแล้วก็หาที่พักค้งแรมในป่าก่อนพลบคํำนะคะแกจะไม่เดินทางในป่าตอนกลางคืนนะเพราะว่าแกกลัวหลงป่าแล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายนั่นเองค่ะพอตกค่ำแกก็เลยต้องรีบหาที่พักที่นอนแกบอกว่าป่ามันมืดมาก เต็มไปด้วยอันตรายทั้งจากสิ่งที่มองเห็นแล้วก็สิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นโดยสถานที่นอนของแกเนี่ยแกก็จะหาทําเลที่เป็นต้นไม้ใหญ่พอประมาณอยู่ติด ก, กันกับระยะที่เชือกผูกเปลมัดขึงถึงกันได้พลันใหญ่ก็อนอนเปลแบบง่ายๆสูงพอเพื่อไม่ให้สัตว์ไปทําอันตรายกับแกได้นะคะก็เลยขออนุญาตถามแกนะคะถึง การล่าสัตว์ว่ายิงสัตว์อย่างไรแกก็บอกว่าแกไม่มีการนั่งห้างยิงเหมือนคณะพรานชุดอื่นหรอกแกบอกว่ามันยุ่งยาก ส่วนตัวแกเองนั้นหากในขณ ะ, ะเผอิญเดินไปพบเจอสัตว์เข้าก็จะค่อยๆ ย, ย่องเงียบหาจังหวะเข้าไปยิงใกล้ๆหรือถ้ายังไม่เจอสัตว์นะคะที่จะให้ยิงได้เนี่ยแกก็จะหาทําเลที่คาดว่าสัตว์ป่าจะเดินผ่านหรือว่าออกมาหาอาหารเช่นแถวๆริมน้ําริมลาําธารหรือว่าบริเวณดินโป่งต่างๆจากนั้นแกก็จะหาที่ผูกเปลในตําแหน่งที่ไม่สูงมาก แกบอกว่านี่แหละคือห้างล่าสัตว์ของแกโดยตัวแกเองเนี่ยจะแอบมอบอยู่ในเปลพอสัตว์ป่าเข้ามาใกล้อยู่ในระยะยิงหวังผลแกก็จะค่อยๆโผล่ศีรษะแล้วก็เอาปืนพาดขอบเปยนี่ยิงสัตว์เข้าไปโดยที่ตัวของสัตว์เนี่ยนะคะจะไม่สามารถที่จะมองเห็นพ่าน G-way ได้เลยนะคะผ่านเท่าก็เล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะแกบอกว่าในระยะนี้แกยิงไม่มีพลาดค่ะหลังจาก ที่แกยิงสัตว์ได้แกก็จะรอจนรุ่งสางของอีกวันโดยไม่ลงไปจากเปยนะด้วยสัจจะที่ว่าจะไม่เดินป่าตอนกลางคืนต้องรอจนตะวันขึ้นก่อนแล้วก็จะแบกสัตว์ป่าที่แกยิงได้นี่กลับเข้าหมู่บ้านในตอนสายของวันเดียวกันแกเล่าพร้อมกับสัมทับนะคะว่าป่าพื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่าชุกชุมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสัตว์นักล่าเช่นพวกเสือโครง่งเจ้าป่ามีเสือไฟ สัตว์ที่ถูกล่าค่ะก็จะเป็นเหยื่อของสัตว์นักล่าเช่นพวกเก้งกวางหมูป่าไก่ป่าแกเข้าป่าทุกครั้งเป็นต้องได้เนื้อสัตว์ป่ากลับมาฝากภรรยาทุกครั้งแต่ก็เพียงเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นพอยิงได้สัตว์แกก็กลับบ้านเลย ไม่คิดจะไปล่าอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเป็นล่ำเป็นสันหวังที่จะเอาไปส่งร้านอาหารป่าในตัวอาเภอตามใบสั่งหรือเอาไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองแกบอกว่าขอเพียงเพื่อให้ครอบครัวมีกินก็พอแล้วมีใช้ตามความจำเป็นก็เพียงพอจวบจนกระทั่งภรรยาแกก็ได้กำเนิดบุตรสาวคนแรกแล้วก็บุตรสาวคนที่สองในอีกสองปีถัดมา พรานหนุ่ม VJW นะคะก็เริ่มห่างจากป่า น, น, นานๆทีนะคะจะเข้าไปสักครั้งหนึ่งในยามขาดแคลนเนื้อหรือว่าขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพราะว่าต้องการใช้ช่วงระยะเวลานี้อยู่กับครอบครัวแล้วก็เล่นกับบุตรสาวทั้งสองที่กำลังน่ารักน่าอุ้มถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะเข้าป่าเลยนะคะที่นี้ ผู้เท่าก็เล่าให้เราฟังต่อค่ะถึงเรื่องของกา ร, รเผชิญหน้ากับเจ้าป่าเจ้าป่าที่ว่านี่คือเสือโครง่งลายพาดกรอนตัวเท่าม้าเลยผู้เท่าเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นนายพรานตอนเผชิญหน้ากันกับเสือโคร่งเนี่ยลายพาดกรอนเนี่ยตัวใหญ่ๆสูงใหญ่ยังกับม้าเลยแกบอกว่าหลังจากที่แกห่างป่าไปพักใหญ่ในที่สุดค่ะวิถีแห่งพรานพลายก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งในตอนสายวันหนึ่ง แกก็เตรียมตัวที่จะเข้าป่าล่าสัตว์อีกเหมือนเช่นเคยโดยภรรยาก็เป็นคนจัดการหุงหาอาหารให้เพื่อให้แกใช้เป็นสเสบียงในการเดินทางหลังจากจัดการกับอุปกรณ์ในการเดินทางเข้าป่าพร้อมกับสเสบียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพรานหนุ่มจีเวก็เริ่มออกเดินทางเข้าป่าใช้เวลาเดินเท้าไปในป่าก็ราวหชั่วโมงว่าแงมองดูท้องฟ้า ตะวันก็เริ่มชิงพลบแล้วแสงของพระอาทิตย์ยามผีตากพระออบเนี่ยมองดูแล้วสวยงามมากแต่ก็ปนกับความรู้สึกวังเวงยังไงพี่กนได้เวลาหาทำเลที่พักค้างแรมก่อนที่จะจะมืดค่าซะก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยพรานหนุ่มก็ได้ทำเลที่พักค้างใกล้ๆกันกับด่านสัตว์ลักษณะเป็นทางดินมีรอยเท้าสัตว์หลากชนิดเหยียบย่าไปมาจนหญ้าเฉาตายเหลือแต่ทางดินกลายเป็นด่านสัตว์ หลังจากจัดการกับมือขําแล้วเรียบร้อยก็จัดการผูกเปลแล้วก็แอบไปหลบนอนซุ่มอยู่เหมือนเคยรอแล้วก็รอค่ะรอจังหวะที่หมายมั่นว่าจะได้เนื้อกลับบ้านผู้เฒ่าเล่าว่าเวลาผ่านไปราวชั่วโมงกว่าค่ะน่าจะประมาณสักหลัง6โมงเย็นนะในความมืดกับความเงียบแห่งป่าก็ได้คืบทานเข้ามา ลมพัดโชยใบไม้ไหวนิด ๆ, ๆป่าทึบๆนะคะแต่ว่าก็พอที่จะได้ยินเสียงลมปะทะยอดไม้อยู่นะดังวิวๆิวเลยนะคะแสงแดดแบบที่เราเรียกว่าผีตากพออ้อมส่องแสงเล็ดลอดช่วงกิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่มองดูอึมครึมพอจะมองเห็นเส้นลายมืออยู่บ้างพราหนุ่มก็รู้สึกวังเวงรู้สึกเงียบพี่กน ล, ล่ะค่ะซึ่งปกติแล้วเวลานี้จะต้องได้ยินเสียงเก้งร้องดังในแนวป่าอยู่เป็นระยะทั้งใกล้แล้วก็ไกลห่างออกไป ร้องรับกันเป็นจังหวะเสียงไก่ป่านะคะปกติจะต้องได้ยินเสียงของมันกระพือปีกแหวกกอไม้พุ่มไม้หาที่หลับที่นอนดังแควะกไปหมดแต่เอ๊ะทำไมค่ำคืนนี้มันเงียบเชียบราวกับว่าสัตว์ป่ามันรู้กันถึงบางสิ่งบางอย่างก็งเลยพากันเก็บตัวเงียบไปทั้งป่า ผู้เฒ่าเล่าเรื่องต่อค่ะพร้อมกับหยิบแก้วสุราเร่งดีกรีเข้าไปอีกก่อนจะใช้ช้อนตักซดน้ำต้มไก่ติดหนังไก่พอได้เคี้ยวรสหวานอมเปรี้ยวของมะขามเปียกที่ใช้ปรุงรสมันช่างตัดกับรสสุราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแกเล่าต่อบอกว่าแกก็เริ่มจะรู้สึกแล้วแหละว่ามันแปลกๆพี่กนแต่ก็ต้องดักซุ่มรอต่อไปคิดว่าคงไม่มีอะไรมากคงเป็นไปตามธรรมชาติ สักพักหนึ่งคุณผู้ฟังในแนวป่าสลับกับพุ่มไม้ข้างหน้ามันมีบางสิ่งบางอย่างค่ะกําลังเคลื่อนไหวสังเกตจากยอดพุ่มไม้สั่นไหวไปมาแกก็เลยค่อยๆเอื้อมมือหยิบอาวุธคู่กายเป็นปืนแก๊ปค่ะขนาดสั้นออกมาวางพาดบนขอบเปลแล้วก็เล็งปลายปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่กําลังเห็นเคลื่อนไหวอยู่แกก็คิดนะคะว่าไม่เก้งใหญ่ก็กวางเขางามละ่ะงานนี้เพราะว่าพุ่มไม้สูงใหญ่ขนาดนี้ พอเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นโผล่ออกมาจากแนวพุ่มไม้ค่ะแกก็พอจะมองเห็นว่าตัวมันเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่ขนาดพอ่พอๆกันกับม้าตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่ามันคือตัวอะไรเพราะว่าความมืดบดบังสีแล้วก็ลวดลายมันก็ค่อยๆเดินเงียบเข้ามาตรงที่แกแขวนเป a y แอบซุ่มอยู่แล้วก็หยุดตรงหน้าแกในระยะห่างประมาณสองวาเศษๆพรานหนุ่มจีเวรู้สึกว่าแขนขาของตัวเองนี่เรียวแรงมันไปไหนหมดก็ไม่รู้ได้ มือไม้สั่นไปหมดค่ะเม็ดเหงือผุดออกมาเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวเลยผูเท่าเล่าต่อบอกว่าถึงตอนนี้แล้วแกเกือบจะฉี่ราดกันเกงของตัวแกเองซะแล้วหัวใจเต้นแรงหนักมาก เต้นรัวไม่เป็นจังหวะเนื้อตัวสั่นไปหมดเพราะว่าในระยะขนาดนี้พรานหนุ่มจีเวเห็นชัดว่าเจ้าตัวที่มันมายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็คือเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวสูงใหญ่มากค่ะขนาดเท่าม้าเห็นจะได้ก็เลยแทรกถามแกบอกว่าทําไมไม่ยิงมันละ่ะแกก็เลยบอกว่าถ้ายิงเราก็ไม่รอด ตอนที่เห็นชัดเจนว่าเป็นเสือโคร่งเนี่ยสมองมันไม่สั่งการเลยนะคือมันตื้อไปหมดเลยคิดอะไรไม่ออกมีแต่ความกลัวอย่างเดียวแล้แกบอกอีกอย่างหนึ่งว่าของแกเอาเสือโคร่งไม่อยู่ยิงได้แต่สัตว์ขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางพอประมาณเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งเสือเป็นสัตว์ที่ยิงยากตะบะมันสูงคล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวถ้ายิงแล้วมันไม่ตายเราเองที่จะเป็นฝ่ายตายแทนมันแล้วผู้เท่าทำยังไงต่อ ถามแทรกด้วยความตื่นเต้นแล้วก็อยากรู้ค่ะผู้เท่าแกก็เลยบอกว่าแกก็จ้องมองมันอยู่นั่นแหละโดยที่ไม่ขยับหรือว่าไม่ทําอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวเลยแล้วเสือล่ะผู้เท่าบอกว่าเสือมันก็ไม่ทําอะไรเราเลยมันก็เอาแต่มองเราเหมือนกันมองด้วยอาการธรรมดาไม่มีปฏิกิริยาคุกคามมองเฉยๆเท่านั้นแหละมันก็คงจะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเรานี่เป็นตัวอะไรหรือมันอาจจะไม่หิว หรือมันอาจจะไม่คุ้นเคยกับกลิ่นเหยื่อที่มันเคยล่าก็เลยมองเราแบบไม่ใช่เหยื่อหรือว่าไม่ใช่อาหารของมันประมาณสักขานาทีกว่าๆค่ะคุณผู้ฟังเห็นจะได้เสือมันก็ค่อยๆพละแล้วก็เดินเลี่ยงไปตามทางด่านสัตว์ทีนี้ผู้เฒ่าก็บอกว่าค่าคืนนั้นเนี่ยแกก็เก็บปืนไม่ล่าสัตว์เลยเพราะเชื่อแล้วว่าเป็นลางไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางเขาอาจจะแปลงร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่มาเตือนไม่อนุญาตเทล่าสัตว์ในวันนี้ จากนั้นพรานหนุ่มจีเวก็รอจน ร, อรุ่งสางนะคะก็ลงจากเกลแล้วก็เก็บเท้าของแล้วก็รีบกลับบ้านเป็นครั้งแรกค่ะที่พรานหนุ่มมือขมังของหมู่บ้านไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปฝากครอบครัวเลยทีนี้หลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากันกันกบเสือโคร่งเจ้าป่าแล้ว พรานหนุ่มก็หยุดพักการเข้าป่าล่าสัตว์ไปหลายวันเลยทีเดียวก่อนจะเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติซึ่งแกก็ได้เนื้อสัตว์กลับมาบ้านมาฝากครอบครัวเหมือนเช่นเคยใกล้ค่ำวันหนึ่งค่ะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤ ด, ดูฝนพรานหนุ่มก็จำเป็นจะต้องสะสมสเสบียงหาอาหารเก็บไว้ให้ครอบครัวในยามฝนตกหนัก การเดินเข้าป่าอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะก็เลยจำเป็นต้องล่าสัตว์ให้ได้ก่อนกลางฤ ด, ดูฝนมาเยือนในแนวป่าลึกผ่านหนุ่มจีเวกลางเปยขึงพาดกับต้นไม้ดักรอยิงสัตว์เหมือนเดิมค่ะขณะนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่มืดพระอาทิตย์ก็เพิ่งจะลาลับขอบฟ้าแต่ก็ยังสะท้อนแสงสว่างให้เห็นอยู่ราย พรานหนุ่มจีเวก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตรงมาหาจุดที่เขาซุ่มอยู่ซึ่งเป็นเสียงฝีเท้าก้าวเดินในจังหวะเนิบๆ น, นะคะแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรพรานหนุ่มจีเวก็เอาปืนแก๊ปประจำกายมาวางพาดหมายจะยิงเช่นเคยแต่ก็เอกใจนะฮะว่าเอ๊ะสัตว์อะไรทําไมจังหวะการเดินมันเหมือนไม่เหมือนกับสัตว์ป่าทั่วไปเพราะหากถ้าเป็นสัตว์ป่าทั่วไปเนี่ยพรานเท่าบอกว่าจะต้องเดินบ้างหยุดบ้างเพื่อกินหรือว่าเคี้ยวอาหาร กระโดดไปมาหรือว่าส่งเสียงร้องพร้อมกับเหยียบย่าให้ได้ยินเสียงใบไม้แห้งบ้างแต่นี้กลับกลายเป็นเสียงฝีเท้าเดินตรงเข้ามาไม่หยุดไม่เหยียบไม่ย่ําอะไรเลยราวกับว่าจะเดินมาตามทางดินเพื่อที่จะมุ่งมาหาพรานหนุ่มโดยตรงมันก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะการเดินของคนจะมากกว่านะคะความสงสัยคิดอยู่ได้ไม่นานค่ะเจ้าของเสียงฝีฝีเท้านเนี่ยก็เดินใกล้เข้ามาในระยะแห่งการมองเห็นพรานหนุ่ม จีเวก็สามารถเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สัตว์ป่าแล้วแต่ว่าเป็นผู้เท่าตัวเตี้ยๆหลังคอมนุ่งชุดขาวมือข้างขวาถือไม้เท้าเดินเข้ามาในตำแหน่งของพรานหนุ่มจีเวที่ผูกเปไว้ด้วยท่าทางปกติค่ะไม่มีการเฉงอมองซ้ายมองขวาคงเดินก้มหน้านิ่งเดินมองเป็นปกตินะคะพรานหนุ่มก็มงุนงงปนตกใจนิดนึง พางรถปืนลงมาเก็บซ่อนไว้ในเปในใจก็ครุ่นคิดว่าในป่าทึบแบบนี้จะมีใครมาเดินเล่นอีกตอนแรกก็คิดว่าเป็นพร ะ, ะเป็นนายพรานเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ในายพรานผู้ร่วมป่าซะแล้วเจ้าของฝีเท้านี่เดินตรงมาหยุดด้านหน้าที่พรานหนุ่มจีเวขึงเปผูกกับต้นไม้ไว้พรานหนุ่มไม่ทันได้ชะโงกหน้าก้มร้องตะโกนถามค่ะ ผู้เท่าตัวเตี้ยหลังค่อมนุ่งชุดขาวมือข้างขวาถือไม้เท้าที่พา น, นุ่มจีเวเห็นก็ได้ยืดลำตัวสูงขึ้นมาหาตามความสูงที่พา น, นุ่มผูกเปไว้พา น, นุ่มเห็นดังนั้นก็ออกอาการตกใจล่ะค่ะคุณผู้ฟังหน้าซีดเปือดตัวสั่นพลักเลยนะคะในใจแกก็อยากจะร้องว่าผีผีเจ้าป่าแต่ก็ร้องไม่ออกป่าทั้งป่าก็เงียบกริบไรซึ่งเสียงแห่งป่าเหมือนมีอำนาจบางอย่างมาสะกดไว้ ผู้เท่านุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวผีเจ้าป่าฉเฉงเอใบหน้ามามองซึ่งแกจำได้ติดตาเลยนะฮะแกบอกว่าก็น่าเหมือนคนแก่ปกติทั่วไปนี่แหละคือยืดหน้าเข้ามาใกล้แล้วก็เรียกชื่อแกบอกว่าจีเวย์พรานหนุ่มก็ยังคงค้างอยู่ในอาการหวาดกลัวแล้วก็ตะลึงงงว่าผีเจ้าป่านี่รู้จักชื่อเราได้ยังไง ผีเจ้าป่าเรียกชื่อหนุ่มพรานจีเวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พรานหนุ่มพอจะเรียกคืนสติมาได้บ้างนะคะก็เลยรีบขานด้วยน้ําเสียงสั่นเครือแล้วก็แผ่วเบาแบบตะกุกตะกักนะคะว่าคะคะคะคับประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็เลยตัดบทถามผู้เท่าต่อเพราะอยากรู้ว่าผีเจ้าป่านี่พูดภาษาอะไรกับผู้เท่าผู้เท่าบอกว่าพูดภาษาไทยทั่วไปนี้แหละผู้เท่าเล่าต่อปนความตื่นเต้นที่แกไม่เคยลืมในชีวิตนี้ผีเจ้าป่า พูดกับพรานหนุ่มจีเวว่าหยุดล่าสัตว์ได้ไหมหากหยุดได้เจ้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะร่ำรวยมีบ้านหลังใหญ่มีรถพรานหนุ่มจีเวรีพยักหน้าค่ะยอมรับพร้อมกับเสียงตอบรับด้วยน้ำเสียงสันๆว่าครับโดยแกบอกว่าในห่วงเวลานั้นเสี้ยววินาทีนั้นนะคะไม่มีโอกาสที่จะคิดตอบเป็นอย่างอื่น ผีเจ้าป่าพูดอะไรจำเป็นต้องตอบครับอย่างเดียวผีเจ้าป่าขอร้องให้แกหยุดล่าสัตว์ป่าแล้วก็จะให้โชคให้ร่ารวยมีฐานะดีขึ้นผีเจ้าป่าบอกอีกครั้งนะคะว่าถ้าเจ้าให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์อีกถ้าจะให้โชคแกเองพรานหนุ่มจีเวก็รีบตอบรับอย่างไม่ลังเลด้วยความเกรงกลัวในอานาจของผีป่านั่นเองค่ะ พรานหนุ่มจีเวก็ให้คำมั่นสัญญากับผีเจ้าป่าเจ้าเขาที่อุ้มผางจังหวัดตากนะคะบอกว่าจะเลิกล่าสัตว์ป่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้ครอบครัวของพรานเท่าจีเวนะคะก็ยังคงมีความสุขสบายดีมีเงินทองพอกินพอใช้นะคะก็ไม่ถึงกับจนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรวยอะไรนะคะพรานเท่าบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของพรานเท่าก็ค่อยๆดีขึ้นไม่เคยอัตคัดขัดสนแล้วก็ไม่เคยอดอยากอะไรเลยนะคะ หมดเวลาสําหรับพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็กลับมาเ จ, เจอกันได้อีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอขอบคุณสําหรับการรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยแล้วก็กดติดตามช anel พระเจอผีด้วยนะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะพบกับเรื่องราวของอาจารย์เหมเวชกรบรมครูแห่งนิยายผีเราจะนํามาฝากคุณผู้ฟังที่นี่ที่ช่องพระเจอผีนี้เองค่ะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ